ประศักด์สอนธรรมะเวลาที่เราไปแจกต้นพ้าป่าและถูกเขาด่าเขาไล่เนี่ยผมก็ไม่อยากว่าคนพวกนี้หรอกเพราะพวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจในโครงการช่วยชาติของหลวงตาส่วนมากพวกเขาจะเจอพวกสิบแปดมองกรมาหลอกในลักษณะามาขอเรียรายเงินได้เงินแล้วก็ไป พอมาเจอเราจะเข้าหาเขาก็คิดไว้ก่อนเลยว่าแก๊งเนี่ยมาเร่อยอะรเหมือนกันฉะนั้นผมจึงบอกทุกคนว่าเราต้องตั้งสติให้ดีก่อนเข้าไปตามบ้านตามห้างร้านเพื่อที่ว่าจิตจะได้นิ่งสงบและธรรมะจะเกิดในใจตอนนี้แหละถึงจะถูกไล่เราก็จะมีสติชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าประเด็นสาคัญอยู่ที่หลวงตาท่านจะมาเทศที่นี่ที่นี่อยากจะให้เขาได้ไปฟังธรรมกับท่านเรื่องเงินไม่ใช่จุดสาคัญเท่า แล้วเมื่อเขาถามอะไรความที่จิตใจเราสงบมีสติเราก็จะสามารถหาคำตอบให้เขาได้เข้าใจและเกิดศรัทธาได้ยกตัวอย่างเช่นคนส่วนใหญ่จะบอกเราอ้อมๆเชิญไปข้างหน้าก่อนเขายัางไม่ว่างก็ออกท่านั้นท่านี้เมื่อเรามีสติและนิ่งพอเราก็จะพูดได้ขอโทษครับเราขอเวลาประเดียวเดียวเราไม่ได้มาเรียรายแต่เรามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลวงตามหาบัว ว่าท่านจะมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติที่นี่ที่นี่ต้นพระป่าต้นนี้เป็นต้นพระป่าครอบครัวได้น้อยได้มากไม่เป็นไรแล้วเอาไปถวายกับหลวงตาเองเราจะไม่มารับกลับและไม่รับฝากเดินทําบุญไปด้วยและถ้าหากไปไม่ได้จริงๆก็ถือว่าโอกาสที่ให้พวกเราได้มาประชาสัมพันธ์หรือจะฝากต้นพระป่าไปกับคนข้างบ้านไปฝากอําเภอไปก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสก็ไปกันให้ได้นะครับจะได้ทําบุญกับท่านโดยตรง พออธิบายอย่างนี้คนที่เขาพอมีศีลมีธรรมมีใจเป็นกุศลอยู่เขาก็เข้าใจก็จะรับไว้ยังมีใจอยีดคนหน้าสาราอีกคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์ร้ายๆมาเต็มๆวันนั้นรู้สึกว่าจะไปที่จังหวัดสระบุรีหลวงตาท่านจะไปแสดงธรรมที่มู ล, ลนิธิเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรสักอย่างวันนั้นพวกเราก็ไปแจกต้นพ้าป่ากันพอไปถึง ลงจากรถไปได้แป๊บเดียวเจี J ๊ยต์วิ่งกลับขึ้นมาบนรถร้องไห้โวยวายโคตรพ่อโคตรแม่มันพี่ไปบอกมันดีๆว่าหลวงตาจะมาแทะอยู่ที่นี่ที่นี่พี่พูดแค่เนี้ยมันด่าอีสัตมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ยังเอาไม้คุ้ยงใส่พี่อีกตอนนั้นผมไม่รู้คิดขึ้นมาได้อย่างไรเหมือนกันผมบอกพี่อีตเนี่ยเหรอนะักภาวนามีสติได้แค่นี้เหรอรู้หรือเปล่าที่เขาพูดกับพี่แค่นั้นนอะ เขาตกนรกขุมไหนแล้วและอย่างเนี้ยเราควรจะเมตตาหรือเกลียดเขาเราควรจะมีเมตตาให้เขานะน่าจะสงสารเขานะเพียงลมปากเขาก็พาตัวเองลงนรกแล้วเราเป็นนักภาวนาประสาอะไรอ่อนแอขนาดนี้และจะได้ธรรมะจากไหนไปพี่ลงไปจากรถเดี๋ยวนี้ไปทำงานต่อพี่อีทฟังผมแล้วก็ใจเย็นลงทันทีลงจากรถไปทำงานต่อไม่ใช่ธรรมดานะ ลำพังตัวผมเองผมคิดอะไรลึกซึ้งแบบนั้นไม่เป็นหรอกมันต้องผุดขึ้นมาเองพี่อีทก็ใจเด็ดได้สติก็ลุยแจกต่อเลยกลุ่มผู้หญิงที่ไปแจกต้นพระป่าด้วยกันนี้มีทั้งสาวแก่แม่ไม้ผัวทิ้งสาวโสดอะไรต่อมีอะไรมารวมอยู่ด้วยกันหมดแต่และคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนมีศรัทธ า, าแน่วแน่ที่จะทํางานถวายหลวงตาแล้วคนมาช่วยงานบางทีมีไปกันแค่สี่คน ผมถึงต้องพยายามประคับประคองใจทุกคนตกเย็นมาผมก็พยายามหาธรรมะเท่าที่ผมสามารถจะพูดได้เพื่อให้พวกเขามีกำลังใจไปต่อเช่นเราไปวันนี้เราไปทำงานได้บุญได้อนิสองอย่างไรอจนมาหนักขนาดเนี้ยอนิสงก็ย่อมมีมากเพียงไรสิ่งที่พูดเกิดขึ้นมาเองในจิตผมพูดอยู่สม่ำเสมอจนทุกคนยั่นกันมานั่งหน้ารถจะได้ฟังธรรมะก็ะสับเปลี่ยนกันมานั่งและที่ต้องประคองใจของทุกคน คนมาช่วยงานมีน้อยและทุกคนก็ถือศีลแปดบางวันก็ได้กินบางวันก็อดซ้ำบางวันยังไปเจออุปสรรคโหดร่างกายมันก็อ่อนเพลียจิตใจมันก็อ่อนแอกันได้ก็ต้องเอาธรรมะนี่แหละมาเป็นหลักยึด